Thank you. ข้างกลางผู้คนมากมายหลากหลายเธอมีเพียงร่างกายตั้งอยู่กลิ่นธูปชุดดำดอกไม้รอบกายของเธอรูปเธอรอยยิ้มภาพครั้งสุดท้ายเกิดมา